บางวันพระบรมาบางครั้งพระบรมมาสัตยเาในเมื่อเวลาบาทหายนางสุดชาดาเป็นบุตรกระดุมพีอยู่ตำบลอุรุเวลานึกว่ า, า จ, จะบวงสรวงเทวดาอยู่ต้นโพพอก็เอาเข้าวมัทุปายาสมาถวายพระองค์ แต่เริ่ทํทำข้าวไม่ทุกปรายาตอยู่นั่นนา น, น, านเหลือเกินด้วยนมโคเอาโคไปกินชะเอมเพื่อให้นมหวานยืดยาวจะแทะมากมายแต่ไม่เอามาปรารกเพราะจะนานเวลาเกินไปเพื่อจะเพื่อจะไปบวงสรวงเทวดาในต้นโพนะั้น แต่พอไปเห็นพระบรมาสารดาก็นึกว่าเป็นตัวเทวดาจริงก็ดีใจมากในเวลานั้นบาทพระบรมาสารดาหายพระบรมาสารดาก็ทำท่ามองหาบาทนางก็เข้าใจความหมายทีนี้นีฉันถวายทั้งถาด ก็เลยรับเข้ามาทุกปายาดนั้นถวายทั้งถาดก็เอาระถาดไปลอยในแม่น้ำเนรัญชล า, าถาดก็ไหลขึ้นเหนือพอชั้นเสร็จแล้ว ไม่ถูกกร ะ, ะนาดแล้วเนี่อะไรก็ไม่ต้องพูดละอันนั้นมันยาวเกินไปมันจะกลายเป็นพระพุทธวัตรพุทธประวัติไปขั้นเวลาเย็นก็มาสู่ต้นมหาโพธิ์เรียภาวนาในวันนั้นคอถึงปฐมยาม พระมงากำหนดลมให้ใจเขาออกก็ระลึกชาติทอนหลังได้ในมัททิมะยามก็ระลึกถึงสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่เก็บตายนั่นตายจากนั่นไปเกิดนั่นผู้ตายจากนี่ไปเกิดนี้พอจวนพอจวนจะสว่างก็พ้นจากคีเดชอาสวะหมดเหมือนพระอุทัยกำจัดมืดให้สว่าง ที่นี่ก็เที่ยวไปอัศวารลนี่โคตรบ้างราชายตนะบ้างมุจลินบ้างวันไปวันมาอยู่เหง่ละสั ป, ปดา์เจ็ดสั ป, ปดา์เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าคำถ้าแบ่งอาหารออกของนางสุชาดาก็คงเป็นสี่สิบเก้าคำไปวันละคำ ไม่ได้ชั้นอาหารเลยไม่ได้เป็นกังวลกับอาหารเหมือนพวกเราทุกวันนี้พวกเราชักชักจะเป็นเอาในาอาหารบ้างแต่คงแต่ก็ไม่คงมากหรอกก็ยินดีทำได้ทำมี การปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏจักรสงสารก็ปฏิบัติใจเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏจักรสงสารก็ปฏิบัติตนเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏจักรสงสารก็อันเดียวกันปัญหาจะมีมากสักเพียงไรคนน้อยลงแลว้วถ้าปรารถนาอย่างนั้นถ้าตั้งใจว่าอย่างนั้น ตึกศึกษทั้งหลายผู้เกิดตระกูลต่ำก็ตามผู้เกิดตระกูลสูงก็ตามผู้มีปัญญาน้อยก็ตามผู้มีปัญญามากก็ตามจงเอาเราต่าคตเป็นเยี่ยงอย่างทางอดทนเถิดมิรเยทุกขมัะเจติจะล่วงทุกข์ได้กว่าเพราะความเพียรในทางที่ชอบ เอนสนามภัยในวัฏสงสารคือสนามเวนสนามไัยในสกุลกายก็อันเดียวกันสนามแก่ก็อยู่นี้สนามเจ็บก็อยู่นี้สนามตายก็อยู่นี้สนามป่วยเน่าก็อยู่นี้สนามกระดูกก็อยู่นี่สนามเลือดก็อยู่นี้สนามน้ำหูน้ำตาหนามลายน้ำมูกน้ำไข้คอหนามมูดก็อยู่นี้ มีกลินและสีบูดเน่าไม่อยากจะมามีพบมีชาติมีเก่มีเก็บมีตายอีกก็ต้องพิจารณาอันนี้ให้เบื่อหน่ายให้คลายมองให้สิ้นความกำหนัด อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพุทธโธธรรมโมสังโฆแปลว่าไม่ให้หลงกายไม่ให้หลงใจด้วยถ้าหลงใจตอนไหนก็หลงธรรมตอนนั้นถ้าหลงกายตอนไหนก็หลงธรรมตอนนั้นโดยในมือนกันถ้ารู้ตามเป็นจริงของกายกับใจตอนไหนก็รู้ตามเป็นจริงของธรรมตอนนั้นก็ปฏิบัติธรรมตอนนั้นด้วย ลมเข้าข้างหนึ่งครบแปดหมืนสีพระธรรมขันธ์ลมออกข้างหนึ่งก็ครบแปดหมืนสีพระธรรมขันธ์เราพิจารณาอะไรก็ตามอย่าถือว่าอันที่เราถูกพิจารณานั่นอยู่ในอดีตอนาคตให้ถือว่ามีในปัจจุบันทั้งนั้น ไม่ใช่เราพยายาิจณาแล้งลมมาเห็นอะไรมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ในปัจจุบันทางนั้นธรรมอันไม่เกิดไม่ตายก็มีอยู่ในปัจจุบันทางนั้นเราจะไปเห็นหรือไม่เห็นก็เป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของธรรมจะมาเห็นเราไม่เรื่องของธรรมจะมาปฏิบัติเราเราต้องน้อมหน้าปฏิบัติธรรมเคารพธรรม เพ่าเวลามนุษย์มีน้อยชั่วชีพพระจอนเดินเท่านั้นถ้าไม่เดินแล้วก็ต้องลงเอยกันชัว่วลมหายใจเข้าออกก็ถูกชั่วพริบตาเดียวก็ถูกพรุ่งนี้จะไปไหนที่กะว่ถ้าไม่ตายก็ไปบินทะบาท แต่บางทีก็สมประสงค์บ้างแต่บางทีก็ไม่สมสามารถตายในวันนี้ก็อาจเป็นได้แต่ตายจากข้าวสายบ่ายเที่ยงจากวันเวลานะมันล่วงไปล่วงไปนะมันตายอยู่แล้วนะแต่คิดใจไม่ยอมให้ตายยอมจะมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่เสมอเสมอ ตามสติกำลังของตนเห็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในลมเข้าลมออกเห็นความแก่ความเก็บความตาในลมเข้าลมออกเห็นทุกขกังขังอนิจจังอนัตตาในลมเข้าลมออกเห็นธรรมไฟเกิดดับในลมเข้าลมออก เห็นทำในฝ่ายไม่เกิดไม่ดับพร้อมกลมเข้าลมออกเห็นศีลสมาธิปัญญากลมคืนกันพร้อมกลมเข้าลมออกเห็ น, นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะเดียวกันพร้อมกลมเข้าลมออกเห็นสังขานทั้งปวงเป็นทุกข์พร้อมกลมเข้าลมออกถ้าต้องการเห็นหรือไม่แต่ไม่ต้องการ เพราะลมเข้าลมออกเป็นแวน่นเห็นความไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นพ่อมกับลมเข้าลมออกเห็นเมตตาความแผ่เมติกิจที่อยากให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขตัวหน้าพ่อกับลมเข้าลมออกเห็นการปฏิกุลในสกลแกายพ่อกับลมเข้าลมออกเห็นดินน้ำไฟลมอันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลพ่อมกับลมเข้าลมออกเห็นผู้รู้เป็นแต่สักวารู้พ่อมกับลมเข้าลมออก เห็นอดีตเป็นแต่สักว่าอดีตพร้อมกับลมเข้าลมออกเห็นอนาคตเป็นแต่สักว่าอนาคตพร้อมกับลมเข้าลมออกเห็นปัจจุบันเป็นแต่สักว่าปัจจุบันพร้อมกับลมเข้าลมออกนี่ธรรมะเบืงสูงนี่เห็นนิมิตทั้งหลายพร้อมกับลมเข้าลมออกเห็นสิ่งที่ไม่เป็นนิมิตพร้อมกับลมเข้าลมออกเพราะจะยึด เอาอาจารย์เป็นแว่นอาจารย์กรรมฐานที่ตั้งไว้ในพระพุทธศาสนาลมเข้าลมออกเป็นกรรมฐานอันประเสริฐกว่ากรรมฐานอื่นๆเพราะในะาศาสนาเพราะในาศาสนาอื่นๆไม่มีลมเข้าลมออกไม่มีอาณาปณะสติพระภิกษุสัมมาเอสนัยขั้พุทธการสําเร็จพระรหันด้วยอาณาปณะสติมากกว่ากรรมฐานอื่นๆเพราะสามารถดึงกรรมฐานใดๆมาอยู่ได้ทั้งนั้น อานนแล้วลึกถึงความตายวันนกี่ครั้งพระบรมพระอานนท์ตอบว่าวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่าเออเธอยังประมาทอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งดีนะอานนนเธอจะละอาในวัฏฏะสงสารนะเธอจะสังเวชในวัฏฏะสงสาร กรรมาฐานลมเข้าลมออกเป็นมงกุฎของกรรมาฐานทั้งหลายกรรมาฐานสี่ที่พ่องก็ดีหรือมากไปกว่านั้นก็ดีตั้งหมื่นตั้งแสนก็าตามเป็นน่องอาณาปานสติเป็นเมืองขึ้นของอาณาปานสติ คล้ายๆกับน้ําห้อยน้องคองบึงบางต่างๆเป็นเมืองขึ้นของมหาสมุทรทะเลสันปคุณต่างๆเป็นเมืองขึ้นของคุณของพุทโธธโมสังโฆพุทโธธโมสังโฆเป็นเมืองขึ้นของพระเนปานเพรยยอดพุทโธธโมสังโฆไปจบกันอยู่ที่นั่นยอดกรรมฐานก็ไปจบกันอยู่ที่นั้นยอดสังสาระทุกข์ก็ไปจบกันอยู่ที่นั้น พระพุทธศาสนาใดๆเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดเพราะศาสนาทั้งหลายเป็นโลกิยาศาสนาจะดีเด่นสักเพียงใดก็ตามเป็นโลกิยาศาสนาเมื่อเป็นโลกิยาศาสนาก็เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามจะเอาโขนสวมหัวสักเพียงใดให้สูงกว่าพระพุทธศาสนาก็เป็นไปไม่ได้ เป็นเพียงเข้าใจผิดอยู่ตามเดิมนั่นเองเป็นเพียงรู้เท่าไม่ถึงการอยู่ตามเดิมนั่นเองจะชมจะย่อตนเองสักเพียงใดก็าตามก็าหาได้เป็นจริงเหมือนพระพุทธศาสนาไหมหาได้สูงหาได้มีค่าเหมือนพระพุทธศาสนาไหมแต่ผู้ที่จะรู้จกักพระพุทธศาสนาดีเด่นกว่าศาสนาอื่นๆนั่นก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ที่มีปัญญา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่านผู้โง่พูกเขาเพาพระพุทธศาสนาไม่ได้หนักไปในวัตถุนิยมถ่ายเดียวาศาสนาอื่นๆหนักไปในทางวัตถุนิยมถ่ายเดียวไม่มีอุดมคติโรคโกดลงมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันขอให้กูได้เงินก็พอ ขอให้กูมีบริษัทบริวารแข็งโลกกระพมันไปแถวนี้ศาสนาอื่นๆศาสนาพุทธไม่ได้เป็นอย่างนั้นถึงพระโสดาวันสกทาคามีนาคามีพระรหั น, ถน์ถือว่าเป็นลาบอย่างยิ่งถือว่าเป็นยศอย่างยิ่งยศอันจะไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกลาบอันจะไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกถือเป็นทรัพย์ภายในด้วยโจนไม่รัก ตกไฟก็ไม่ไตกน้ำก็ไม่หายถือว่าเป็นอริยทรัพย์อีกไม่เหมือนศาสนาอื่นๆศาสนาอื่นๆจะกล่าวตูเพราะพุทธศาสนาสักเพียงไรก็าตามก็คล้ายๆกับว่ากล่าวตูฟ้าแม่ตัวของเองก็ยังอยู่ใต้ฟ้า ค่ายกับกองทับน้ำลายเวนขึ้นฟ้าตกลงใส่หน้าของตนเองไม่รู้ตัวอีกด้วยคล้ายกับว่าตาบอดอวดสนเข็มคนขาหักอวดวิ่งเร็วจะอวดได้จะชักชวนได้ก็แต่ผู้งูผู้ฉลาดไม่ไปเสียเลยละผู้ที่สร้างบา ร, รมีมาแก่ก้าแล้วเขาไม่ไปละ ผู้ที่ยังอ่อนอยู่ก็ไปก็ยินดีด้วยไม่ได้ปารบคุมคู่ศาสนาใดๆปารบตามเป็นจริงเพราะพระบรมศาสดากล่าวยืนยันแล้วในมหาปรินิพานสูตร โซดาบันสักตาคามีนาคามีพระรหันไม่มีในศาสนาอื่นเลยไม่ต้องสงสัยดอกให้เสียเวลาเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมเราพูดตามเป็นจริงของอธรรมเพราะศาสนาอื่นไม่ได้ยืนยันตนว่าเป็นโลกวมิตรยืนยันไม่ได้ถึงแม้จะยืนยันก็เป็นยืนยันผิดไม่ใช่ยืนยันถูกเหมือนตะทาโคต อาาคตไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมเขารบธรรมที่สุดยิ่งกว่าตัวตนยิ่งกว่าโลกทั้งสามยิ่งกว่าวัตถุภายนอกเขารบธรรมยิ่งกว่าลาบยศภายนอก ผู้กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นผู้ศึกษาหรือไม่ผู้เรียนกรรมฐานอื่นๆปฏิบัติกรรมฐานอื่นๆเป็นผู้ศึกษาหรือไม่ก็เป็นผู้ศึกษาอยู่นั่นเองเธอพึ่งศึกษาว่าเราจะกำหนดลมหายใจเข้าเธอพึ่งศึกษาว่าเราจะกำหนดลมหายใจออกเธอพึ่งศึกษาว่าเราจะรู้แจ้งในกองลมทั้งปวงในลมหายใจเข้าในหายหายใจออกเพอซึ่งศึกษาว่าเราจะรู้กาย หายใจเข้าเราจักรู้กายหายใจออกเราจักรูเร้รเวทนาหายใจเข้าเราจักรู้เวทนาหายใจออกเราจักรู้จิตหายใจเข้าเราจักรู้จิตหายใจออกเราจักรู้ธรรมหายใจเข้าเราจักรู้ธรรมหายใจออกมันมีครบหมดนี่เราจักไม่ถือมั่นในสิ่งทั้งปวงหายใจเข้าเราจักไม่ถือมั่นในสิ่งทั้งปวงหายใจออกเรียกว่าจาโคปะเจนิสโู เราจะปล่อยวางสังขารทั้งหลายหายใจเข้าเราจะปล่อยวางสังขารทั้งหลายหายใจออกเราจักรู้ทำอันไม่ตายหายใจเข้าเราจักไม่รู้จักทำอันไม่ตายหายใจออกเราจักรู้ทำอันดับสนิทหายใจเข้าเราจักรู้ทำอันดับสนิทหายใจออกเพราะมีความหมายอันเดียวกันกับทำอันไม่ตาย เรียกว่านิโรธสัญญานิโรธความดับทุกเป็นธรรมอันละเอียดนิโรธความดับตัณหาเป็นธรรมอันละเอียดก่อนเดียวกันถ้าไม่มีตัณหาทุกทางใจก็ไม่มีถ้าไม่มีทุกทางใจตัณหาก็ไม่มีความดับตัณหาได้สิ้นเชิงทุกก็ดับไปหมด ความรับทุกในทางใจได้สิ้นเชิงตัณหาก็ดับไปหมดอันเดียวกันไม่ได้อาฐานเพื่อจะอยู่ในโลกพระพุทธศาสนาอาถานเพื่อจะต่อสู้กับความหลงของตนเพื่อไม่อยู่ในโลกเพื่อจะลาออกจากโลกพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่จะลาโลกไม่ใช่พระพุทธศาสนา สั่งสอนจะมาให้แข็งดีอยู่ในโลกคําสอนของพุทธศาสนาชั้นสูงแข็งดีก็คือแข่งเกิดแข่งเก็บแข่งตายกันไม่มีใครแพร้ใครชนะดอกเพราะเสมอกันหมดแข่งได้แข่งเสียกัน บ้านเมืองเป็นชจลาจนถึงเพียงนี้โลกเป็นชะลาจนถึงเพียงนี้ข้าฟันกันอยู่ทุกหย่อมหญ้ทาทะเลาะวิวาดกันอยู่ทุกหย่อมหญ้าโตเ ถ, ถียงเกี่ยงงอนกันอยู่ทุกหย่อมหญ้าเราได้มาปฏิบัติก็ให้ทราบเถิดว่า นิสัยของเราและบาลมีของเราสร้างมามากพอสมควรบ้างเพราะสมัยโลกดาวเทียม เราก็ยังไม่เพลิดกับเขาจนลืมตัวเรายังยินดีในการปฏิบัติเพื่อพุทุกอยู่ก็อให้ทราบเถิดว่าบารมีของเราแก่กล้ามาแล้วพอมาภาวนาลงไปถ้าเห็นนิมิตอันนั้นอันนี้เราก็อย่าไปติดอยู่ในนิมิตให้รู้จักว่านิมิตนี่ถ้าเราติดอยู่มากมันจะมัดเรา ให้พูดอย่างนั้นนิมิตเข็นิมิเตมดเดิมของเราอย่าลืมคือกรรมฐานเดิมที่เราตั้งไว้อะไรมาผ่านก็ไม่ลืมกรรมฐานเดิมเรียกว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้สันโดษเป็นสันตุทีปะละมังทนังคือยินดีในกรรมฐานเดิมที่ตนตั้งไว้ถ้าว่านิมิตอื่นๆมาหา แล้วก็ไปเพ่งนี้ไม่อื่นๆไปอีกเตลิดเปิดเปิงไปลืมกรรมาฐานเดิมก็เรียกว่าไม่เข้าคอกชานังแปลว่าเพ่งอยู่สมาธิงแปลว่าตั้งมั่นในการเพ่งอยู่ปัญญาแปลว่ารอบรู้ในการเพ่งอยู่ศีลแปลว่าตัดศีลลงศีลตัวสอสลาสระี พลิกมาเป็นตัวสสลีนหนหนูสะกดเสียตัดสินลงในกรรมฐานที่ตั้งไว้ภาวนาแปลว่ารอบรู้ในภาวนาที่ตั้งไว้ปัญญาแปลว่ารอบรู้ในภาวนาที่ตั้งไว้นั่นเองพวกอันเดียวกันพระวังค้าบาท กับคณิกะสมาธิอันเดียวกันกับคณิกะภาวานาก็อันเดียวกันพวังคจารณะนะกับอุปจารสมาธิกับอุปจารภาวานากับกับอุปจารฌานก็มีรสชาติเป็นอันเดียวกันหมดกำลังก็ถอนออก พวังคุปเชทะกับอัปปนาภาวนากับอัปปนาฌานกับอัปปนาสมาธิก็มีความหมายอันเดียวกันมีรสชาติเสมอกันสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังอันละเอียดเหมือนกันหมดกาลังก็ถอนออกมาเมื่อพิจรณ า, าอนิจจัง ทุกครั้งอนัตตาพ่้องก์หลวงเข้าลำออกอยู่ได้ชื่อว่าเจริญกรรมฐานทุกๆ ก, กรรมฐานได้ชื่อว่าเจริญนิปัสสนากรรมฐานทุกๆวิปัสสนาในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยเพราะเอามารวมแล้วเรียกว่าภาวนาลงพระหลวงเอวยในที่นั้น เรื่อว่าภาวนาไม่สงสัยเพราะไม่สงสัยในที่นั้นเพราะเอามารวมไว้แล้วโรกทั้งหลายก็มารวมอยู่ที่นั่นแล้วธรรมทั้งหลายก็มารวมอยู่ที่นั่นแล้วมรรคผลที่ผ่านก็มารวมอยู่ที่นั่นแล้วพุทธธรรมสงก็มารวมอยู่ที่นั่นแล้วโพชงเกตก็มารวมอยู่ที่นั่นแล้ว มักแปดก็มารวมอยู่ที่นั่นแล้วสติปัฏฐานสี่ก็มารวมอยู่ที่นั้นแล้วกายาเวทนาจิตทำอยู่ใต้อํานาจอนิจังทุกครั้งอนัตจานะอพระชงเกศสติความระลึกได้ธรรวิทยาความสดท่องทำวิทยะความเพียรปีติความหิ่มใจพัฒนทีความสงบใจและอารมณ์สมาธิความตั้งใจมั่นอเวขาความวางเฉยก็ไปรวมอยู่ที่นั้นแล้วมักแปดสมาทิติสัมมาไว ก็ปวาจากรรมันตุอาชีววิยาโมสติสมาธิก็ไปรวมอยู่ในที่นั้นแล้วเรียกว่าปาฏิโมกโเข็จสังวรูปฏิบัตริรวมลงในที่นั้นพระปาฏิโมกก็ไปรวมลงในที่นั้นศีลก็ไปรวมลงในที่นั้นสมาธิใดๆก็ไปรวมลงในที่นั้นปัญญาใดๆก็ไปรวมลงในที่นั้นอันนั้นเป็นแกนสารของพระพุทธศาสนา ธรลมาโนโซพะควาเอวังบักหุลังสาวะเกเวนิติพระบรมาศาสดาทรงพระชนมายุอยู่ได้เทศธรรมอนิจจังทุกครังอนัตตามากกว่าอุบายอื่นๆเพราะว่าเป็นนิยานิกระทธรรมจะนำสัตว์ออกในวัตาสงสารได้ไม่เป็นทางอ้อมค้อมและไม่เป็นทางโค้งด้วยเป็นทางตรงด้วย ผู้ที่ไปตาม น, นี้ไปชมต้นไปชมนกชมต้นไม้อยู่นั่นผู้นั้นไม่รู้จักเพราะเป็นนิสัยชอบอย่างนั้นก็ต้องไปอย่างนั้นนิสัยเดินเดินทางโคกผู้นิสัยเดินทางลัดแล้วจะไม่ไปติดอยู่ในนิมิตทั้งหลาย นิมิตนอกนิมิตแขกนิมิตมาเกยมาภาคพอเห็นเทวุทธเทวานินท์หน่อยก็เปลี่ยนไปอันอื่นเช่นแล้วเพรพไปเปลี่ยนไปเรื่องอื่นอีกงือนฉายหนังเมื่อเป็นดังนั้นก็อยู่ใต้อํานาจอานิจังทีนี้เมื่ออยู่ใต้อํานาจอานิจังก็อยู่ใต้อํานาจทุกขัง ก็อยู่ใต้อำนาจอานัตตาไม่ใช่แต่ไม่ใช่ใชบุคคลเกิดขึ้นแนี่ก็แปรปวนแตกสลายไปตามอําเภอใจของตนไม่ได้เก่งว่าเป็นของท่านผู้นั้นผู้นี้ท่านจะเสียใจเราไม่ด่วนจะแตกจะทสลายดอกสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ว่าเหตุฉนั้นจึงว่าไม่เป็นของใครเกิดขึ้นนี่ก็แปรปวนและแตกสลายสังขารในเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นจะดับในอดีตคำพูดใดพูดมาแล้วคำคำนั้นก็ดับไปแล้ว คำใดพูดในปัจจุบันคำนั้นจะดับในปัจจุบันคำใดพูดในอนาคตคำนั้นจะดับในอนาคตขณะจิตที่นึกขึ้นในอดีตก็ล่วงไปแล้วขณะจิตที่นึกขึ้นในอนาคตก็ยังไม่มาถึงขณะจิตที่นึกขึ้นในปัจจุบันก็จะดับไปในปัจจุบันนั่นแหละสังขารอันละเอียดนั <c> ่น <oughs> ถ้าถือว่าสังขารอนันละเอียดเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาอยู่ก็มีภพมีชาติอยู่เหมือนกันพระโวพร ะ, ะปัจจยู่เพราะเป็นพบเป็นปัจจัยเหตุฉะนั้นทำชั้นสูงท่านึงสอนว่าเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นให้เห็นพร้อมกลมพระใจเข้าออกด้วย ถ้าเห็นพ่อกับขณะกิตที่รู้ด้วยลมหายใจเข้าออกก็ไม่ได้มาเป็นสงครามกับผู times, integral, ้รู้ผู้รู้ก็ไม่เป็นสงครามกับลมหายใจเข้าออกดินน้ำไฟลมก็ไม่ได้เป็นสงครามกับลมหายใจเข้าออกอันที่จริงทุกครั้งอนัตตาก็ไม่เป็นสงครามกับลมหายใจเข้าออกต่างอันต่างก็จริงกันอยู่ไอที่แท้ก็คือสังขารรวมกันนั่นเองนั่นลมหายใจเข้าออกก็เป็นกายะสังขารด้วย ก็เป็นวจีสังขารอยู่ในตัวอีกก็เป็นคิดตาสังขารอยู่ในตัวอีกด้วยเยพราะสัมพยุตกันอยู่ในคณะเดียวสัมพยุตตาปั จ, จโยถ้าเราไปถือเอาว่าเป็นสารเป็นบุคคลตัวตนเราเขาก็เป็นปัจจัยเป็นภพเป็นชาติอยู่ในนั้นอรันสรปั จ, จโยณปั จ, จเยชาตังสัมพยุตกานั้นจะธรรมานังอรันตารปั จ, จโยณปั จ, จเย เก่งอยู่ในโลกมันเป็นปัญหาของพระพุทธศาสนาเก่งออกจากวัฏสาสงสารโลกโกรธหลงในพระพุทธในไตโลกธาตุพระบรมศาสดาจึงชมว่าเก่งเก่งกาดหรืออาจฐานหรือหน้าสมโพธกรรมและผลของกรรม ย่อมวนเวียนในไตรโลกธาตุเมื่อถึงพระนิพพานแล้วไปไม่ถึงเพราะไม่มีกำลังจะไปเราไม่ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์มันก็ละอายตีนบาทมันก็ละอายกดละอายมุง่งละอายหนทางจงกรม ละอายปีนป่ายขึ้นเขาลงห้วยคดเขี้ยวเลี่ยลําบากละอายตัวเองละอายชั้นในบาดปาลอละอายนุ่งห่มผ้าแกนขนุนปลอขนุนปลออีกละอายชั้นในบาดอีกทําท่าทําทางแต่ว่ากิจนั้นน่ะ ไม่หวังผลนทุกข์ในวัาตาสงสารมันไม่ถูกอย่างนั้นต้องละอายตนเองแต่ว่าใครจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องต่างคนก็ต่างถามตนเองหรือสอบตนเองถ้ามันไม่มีมันก็ไม่ต้องถามนยมันมันมันก็ไม่ต้องแก้ถ้ามันมีก็ต้องแก้เพราะไม่มีคนอื่นแก้ให้ถ้ามันมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องแก้ถ้ามันไม่มีก็ต้องรีบแก้มันจะสาย มันจะบ่ายมันจะค่ำบ่ายกับค่ำหมายความว่าตายทิ้งขณะจิตที่นึกขึ้นข้างหนึ่งเป็นพบในอรูปประพบถ้าเรายึดถือว่าสกลน า, างกาอันใดอันหนึ่งเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่ารูปประพบกับรูปประธรรม กับรูปประขันกับรูปประธาถ้าไมา่อย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นโมฆะไปหมดนั่งก็สงคืนให้นั่งนอนก็สงคืนให้นอนยืนก็สงคืนให้ยืนพูดก็สงคคืนให้พูด ฟังก็ส่งคืนให้ฟังรู้ก็ส่งคืนให้รู้เราไม่ไปสอดแทรกคิดถือเอาเป็นเจ้าของยืนยันจนเป็นกระต่ายยืนขาเดียวรู้จักเขียนรู้จักรบรู้จักปล่อยรู้จักวางเหมือนกันรู้จักกินรู้จักถ่ายรู้จักได้รู้จักเสียถึงมันไม่เป็นเราก็ต้องหัดเป็นหน้าที่ของเราจะหัด เป็นหน้าที่ของเราจะรู้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีหนทางจะพ้นจากวัฏสงสารไปได้ผู้รู้เมื่อไม่มีทิฏฐิมานะยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วผู้รู้ก็ไม่เป็นพิษผู้รู้อันใดที่ยึดถือเอาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขา อย่างจริงจังจนไม่รู้จักวางจนไม่รู้จักปล่อยผู้รู้อันนั้นก็มีพิษถ้าไม่หัดไปอย่างนั้นก็ไม่มีหนทางจะพ้นเพราะยังจะียรดถือผู้รู้อยู่เพราะผู้รู้เป็นโลกอันละเอียดเป็นทั้งคานอันละเอียดเป็นธรรมอันละเอียดเป็นธาตุอันละเอียดเป็นขันอันละเอียด เป็นอรูปปัจิตอันละเอียดอรูปปัจิตกับอรูปประคบปปะก็มีความหมายอันเดียวกันเสียงเป็นแต่สักว่าเสียงหูเป็นแต่สักว่าหูตาเป็นแต่สักว่าตารูปเป็นแต่สักว่ารูปถ้าไม่ต่อท่ายรักชังหลงก็ตัดกันเพียงแค่นั้นเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจะหั่นห่ําเหมือนกัน ไม่เป็นเพียงแต่พูดเล่นเฉยเฉยไม่ไม่เป็นแต่เพียงฟังเล่นเฉยเฉยพอปฏิบัติเพื่อธรรมาธิปไตยไม่ได้ปฏิบัติเพื่อโลกาธิปไตยและอัตตาธิปไตยพอเป็นศิษย์ที่มีครูและเป็นลูกที่มีพ่อมีแม่ ครูคือคําสั่งสอนของพบรมศาสดาและครูบาอาจารย์ที่สืบทอดมาลูกมีพ่อมีแม่ก็เหมือนว่าเป็นบุตรของพบรมศาสดาเป็นบุตรของครูบาอาจารย์เรียกว่าลูกมีพ่อมีแม่ส่วนพ่อแม่ของเราที่เลี้ยงมาอันนั้นก็ยกไหวอยู่ไม่ได้ประมาณท่านก็สั่งสอนพวกเราเหมือนกันก็อันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันไม่ได้แย่งกันกันกบครูบาอาจารย์และพระพุทธธรรมประสงค์ อยู่หมู่เดียวกันเหมือนแกงหม้อใหญ่จะมีทรับภายนอกเต็มแผ่นทรายแผ่นดินไปไหนเขาก็หามแห่ไปมีผู้หักหลอกไม้บูชา เพียงหัวเขานี่ในโลกนี่ถ้ากิเลสของพวกเราไม่หายไปหมดเราจะได้อะไรแล้วก็เป็นเปรตเท่านั้นถ้าเราพ้นจากโลกทั้งปวงไปแล้วเขาจะว่าเราสุนัข ก, ก็ตามว่าคนหมดผลทางก็ตามเราก็ไม่มีการเสียอะไรนในโลกนี่มันไม่หมดผนทางไม่ไปบาปก็ไปบุญ ไม่เป็นไปสัตติเตชะฉานก็ไปนรกไปเปลี่ยนเปรตอสุรกายหรือพมลโลกหรืออะไรต่ออะไรส่วนพระลหันจะพวกเดียวหมดท้นทางไปไม่มีทางจะไปพอไปหมดแล้วที่เกียรติไปแล้วจบกันเพียงแค่นั้นจบเกษียเพียงแค่นั้นนอกจากนั้นยังไม่หมดท้นทางหรอกไม่ไปทางหนึ่งก็ต้องไปทางหนึ่งเขากล่าวตัวว่าคนบวชเป็นคนหมดท้นทางก็จริงอยู่พระลหันหมดท้นทาง แต่พวกนั้นไม่ไมหมดต่ำกว่านั้นลงมาชวดาบันสกทาคามีก็มีท้นทางจะไปพระนิพานอยู่ยังไม่หมดแต่พระคะหันจําพวกเดียวไปถึงแล้วพ้นไปแล้วหมดท้นทางแล้วไม่มีทางจะไปแล่เอเอสะวันโตูทุกขะสะเป็นที่สุดแห่งกองทุกแล้วจบกิจธุระของพระพุทธศาสนาไม่ว่าแต่จบกิจธุระของพระพุทธศาสนาจบกิจธุระของโลกอีกด้วยของโลกทั้งสามอีกด้วยไม่เสียดายในพมมาโลก ไม่เสียดายในอาลู ป, ประพรมอีกด้วยไม่เสียดายในสังหาริมาทรัพย์ภายนอกด้วยอาสาสังหาริมาทรัพย์ด้วยอารยสมาคาโตไม่อะไรด้วยเพราะพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วว่ามันไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของใครเกิดขึ้นมาแล้วความปรปวนแต่งสลายเกิดดับเท่านั้นมีหน้าที่เกิดมิที่ดับหน้าที่ดับเท่านั้น เราไปยืนยันเอาของเกิดดับมาเป็นสมบัติของตนมันก็ไม่ได้แม่สกุลละกายและร่างกายซึ่งเป็นทัพภายในมันก็เกิดก็ดับอยู่เหมือนกันตลอดถึงจิตใจก็ยังเกิดยังดับอยู่เ พ, เพราะจิตตสังขารถ้ามันไม่เกิดไม่ดับก็ก็เรียกว่าจิตตสังขารสังขารไปขึ้นส่วนจิตใจที่ถึงอนุปาทิเสสนิพานแล้วไม่บัญญัติว่าจิตใจดอก เพราะมันเป็นคำหยากเพราะไม่สมฐานะบัญญัติว่าทํามันไม่ตายเท่านั้นเพราะเปลี่ยนฐานะแลว้วเพราะผ่านฐานะไปแลว้วไม่อยู่ในฐานะเป็นอัฐะฐานะเสียแลว้ว ในโลกนี้ไม่ใช่ของใครแผ่นดินภายนอกก็ไม่ใช่ของใครซั์ทั้งหลายมาตายกองกันหนุนแผ่นดินต่างหากไม่มีใครเป็นเจ้าโลกมีแต่ความแก่เก็บตายเป็นเจ้าโลกอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นเจ้าโลกทุกเป็นเจ้าโลกทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกอีกด้วย ทุกไมีมาเพราะอุปาทิคือกิเลสพิจารณาสิ่งทั้งปวงพิจารณาเพื่อความเบื่อหน่ายไม่ใช่จะจะเอาใส่รถไฟไปพระนิพพานพิจารณาเพื่อความเบื่อหน่ายคลายเมาที่ตนเคยหลงมา เพื่อจะกู้ชาติคืนเป็นอริยะชาติเคารพกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่กู้ชาติดอกสนองเวนสนองภยัยกูเป็นเวนมึงมึงเป็นเวนกูกูสนองมึงมึงสนองกูเป็นมัดแรกมัดกันเมื่อเห็นโลกวุ่นวายทั้งภายนอกและภายใน มันก็เท่ากับว่าเป็นเครื่องส่งต่อให้นักปราชญ์เอื่อมละอาในวัฏจัรสงสารทวีขึ้นไม่อยากมาร่วมสงสารอีกฉะนั้นจึงว่าสงสารวัฏจรความหมุนเวียนมันน่าสงสาร มันเป็นทุกข์จึงเรียกว่าวัฏฏะสงสารทำไมถึงเรียกว่าฟ้าถ้าจะเรียกให้ถูกก็โลกสุดตาโลกสุดสายตาสายตานอกแต่ปัญญามันไม่สุดสายตาปัญญามันสามารถรู้ได้ ไมมีการจะสงสัยในโลกอีกพระพุทธศ า, าสนาไม่สอนให้สงสัยในโลกอีกเลยทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยทั้งอยากด้วยทั้งปณิสด้วยทั้งไกลด้วยทั้งใกล้ด้ว ย, ท, วยทั้งสุคุมด้วย <tane noise> ผู้รู้อดีตผู้รู้อนาคตผู้รู้ปัจจุบันก็คือโลกโลกอรรกนันละเ อ, อรรเียดนั่นเองก็คือสังขารอันละเอียดนั่นเองก็คือกองทุกขอันละเอียดนั่นเอง ก็คือสังขารอันละเอียดนั่นเองก็คือกองทุกขอันละเอียดนั่นเองก็คืออนิจจาอันละเอียดนั่นเองก็คือทุกขาอันละเอียดนั่นเองก็คืออนัตตาอันละเอียดนั่นเองนี่ไม่ใช่อื่นไกลเลยจะเป็นรูปใหญ่รูปโตรูปเล็กรูปน้อยออกมาครางไหนก็รูปพระเอกของเก่าอันเดียวกันกับโลกโลกเล็กๆนี่อันเดียวกับสังขาร พุโทโธแปลว่าผู้ตื่นจากหลับผู้พ้นทุกข์แล้วเรียกว่าผู้ตื่นจากหลับอย่างเต็มที่ผู้ยังไม่พ้นเรียกว่าพยายามจะตื่นจากหลับอยู่ธรามโมก็เหมือนกันสังโฆก็เหมือนกันสังโฆธรรมโมแปลว่าทรงอยู่สังโฆแปลว่าปฏิบัติเพื่อจะตื่นจากหลับเหตุฉะนั้นการปลุกเสก มันจึงไม่มีในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นพุทธาพิเศษกก็ไม่มีในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นจะอภิเษกให้ท่านเป็นอะไรท่านเป็นมาแล้วท่านเป็นดีกว่าพวกเราแล้วอภิเษกท่านทําไมจะไประุกท่านทําไมปุกเรานี่เรายังไม่พ้นจากกิเลสท่านพ้นจากกิเลสไปแล้วไปปลุกท่านทําไมเอาพระพุทธรูปมาแล้วก็ อย่างนี้ปลุกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นหรือไม่ได้ทําท่า ท, ทํา ท, ทางเสกบน่นใส่พระพุทธรูปไม่มีในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นไม่มีการไปแทะตาท่านแทะหูท่านแทะจมูกท่านไม่มีการสมมุติว่าบวชให้พระพุทธรูปท่านบวชก่อนแล้วแล้วสมมุติเราเป็นพระพุทธรูปแล้วก็โมตเรื่องกันหลวงปู่มั่นว่าอย่างนั้น ทุกวันเนี่ยทาไมถึงสวดพุทธาพิเศกว่าครั้งอย่างนั้นอย่างนี้ครั้งเรื่องอะรั้งพระบรมศาสตรดาจนเข้าสู่พระนิพพานแล้วพุทธองค์เทลุบองค์นั่นครังองค์นี้ครั้งองค์พระชิตธรรมไม่รั้งหรือองค์พระโพลมองค์ไหนไม่ครั้งไม่มีดอกพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าครั้งหรือไม่ขังท่านเข้าสู่พระนิพพานแล้วมันเกินขังไปแล้วไม่มีหน้าที่จะเอามาก่าตุ เราอยากได้ ต, ตัวงอแล้วไม่ไม่พูดตัวงอสะะเอินวิชาขายพระเลกพระน้อยไม่มีในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นวิชาบอกเลขบอกผาก็ไม่มีในหลวงปู่มั่นและไม่มีในพระนัยด้วย และไม่มีในธรรมด้วยแล้วไม่มีในพระสูตรพระปรมัตดด้วยพระสูตรพระสูตรก็หมายความว่าสูตรของกายสูตรของวาจาสูตรของใจพระป ร, ะ ม, รมัดก็ HDMI, มัดเข้าในกายมัดเข้าในวาจาณัดมัดเข้าในใจพระวินัยก็เหมือนกันวินัยกายวินัยวาจาวินัยใจสูตรของกายสูตรของวาจาสูตรของใจ มัดเข้าในกายในวายชาในใจในทางที่ถูกเมื่อเป็นดังนั้นก็พระไตรปิฎกก็นอนเฝ้ากันอยู่ทุกคนถ้งเมื่อมัดพระไตรปิฎกเข้ามาแล้วไตรแปลว่าสามปิฎกแปลว่าที่รวบรวมคําสอนของบุบุลมัสสัตตนารวบรวมลงในกายวายใจใจแล้ว นี่หมายความว่าพวกปฏิบัติต้องไปแถวนี้ส่วนกระดาษและเบรา น, นั้นเป็นไตรปิโลกไหมก็เป็นอยู่แต่ว่าเป็นตําราภายนอกเช่นต ต, ตะสล ะ, ะอาอย่างนี้เขียนไว้ในกระดาษตามันจะอยู่ในแต่กระดาษอยู่ที่ตัวของบุคคลแต่ละคนละคนเช่นหูก็เหมือนกันเขียนตัวหอสล ะ, ะ อ, อูใส่ พระไตรปิดกไว้หูไม่ได้อยู่ในที่นั่นเป็นเพียงตําราเฉยๆหูอยู่กับที่บุคคลแต่ละคนจมูกลิ่นกายใจก็เหมือนกันจอสาระไอเขียนใส่พระไตรปิดกใจไม่ได้อยู่ในที่นั่นอยู่ในที่ผู้เขียนและผู้อ่านถ้าย่นลงมาเป็นหนึ่งที่นี่พระไตรปิดกย่นลงมาเป็นเอกปิฎกที่นี้ก็ย่นลงมาหาใจของเก่านั่นเองที่นี้ เมื่อขยายออกไปก็ขยายออกจากใจเมื่อย่นลงมาก็ลงมาหายใจเรียกว่ามูลเดิมมอลระดกเดิมที่เอามาเกิด แ, แก่เก็บตายก็เอามูลเดิมมอลระดึกเดิมอันนี้บุญบาปสร้างแล้วก็ลงอยู่ที่มอลระดกเดิมมูลเดิมผู้ท่องเที่ยวในโกสงสารที่นี่พ่นก็พ่นจากใจเข้าสู่พระนิพพานเพราะไม่ยึดถือมั่นใจเมื่อใจไม่มีผู้ใดยึดถือมั่นเป็นเจ้าของ ใครจะมาด่าสักเพียงไหนใจก็ไม่มีพิษเหตุไหนใจจึงมีพิษก็เพราะก็เพราะใจยึดถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลถ้าว่ามีชีวิตอยู่แล้วมีผู้มาเหยียบเท้ามึงเก่งขนาดไหนวะถ้าว่าตายแล้วไม่มีวิญญาณและจิตใจอยู่ที่นั่นแหละเขาจะขี้ใสก็ไม่พูด เขาะจะเหยียบย่ำทำลายยังไงก็ไม่เป็นพิษเหตุฉะนั้นพระศาสนาจึงวางลงในใจเป็นหัวจักบโมนุพังขมาธรร ม, มามนูสศ ร, รษามนูมายาทำทั้งหลายจะไปทางบาปและกุศลก็มีหัวใจเป็นใหญ่จะไปมรรคผลนิพพานก็มีหัวใจเป็นหัวหน้า เอกศิลก็ล es ่นยนลงมาหาใจเอกะสมาธิก็ย่นลงมาหาใจเอกะปัญญาก็ล่นลงมาหาใจจะลุดพ้นก็ยน่นลงมาหาใจจะไม่รุดพ้นก็ย่นลงมาหาใจจะปฏิบัติก็ย่นลงมาหาใจก็ใจไม่ปฏิบัติใจก็ไม่มีอันไหนจะปฏิบัติใจคนตายแล้วจะมาปฏิบัติใจไม่ได้ ใจปฏิบัติใจกับทำปฏิบัติธรรมก็อันเดียวกันก็ผู้รู้ปฏิบัติผู้รู้ก็อันเดียวกันใจพ่นจากใจไปแล้วกับพ้นกับใจพ้นจากวัฏจัรสงสารก็มีความหมายอ <erella Nein. S 1> ันเดียวกันผู้รู้พ่นไปจากผู้รู้กับพ้นไปจากวัฏจัรสงสารก็มีความหมายอันเดียวกัน ใจชนะความหลงของใจผู้พ้นไปแล้วก็มีความหมายอันเดียวกันทำชนะความหลงของธรรมทำอันไม่ตายชนะทำอันไม่อันตายก็มีความหมายอันเดียวกันผู้รู้ชนะผู้รู้ที่มีกิเลสสิงห์ผู้รู้ไม่มีกิเลสสิงห์ไปชนะผู้รู้ไม่มีกิเลสสิงห์ก็มีความหมายอันเดียวกัน รูมีกิเลสสิงเป็นรูที่มีพิษรูในชั้นต้นเรียกว่ารูปฏิบัติรูในชั้นกลางรูในปฏิบัติยิ่งรูในชั้นสุดท้ายเรียกว่ารูว่าบุรุษว่าพ้นไปแล้วเหตุที่นั้นผู้รูพระโสดาบันผู้รูพระสกทาคามีผู้รูพระอนาคามีผู้รูพระอรหันต์ผู้รูพระปจเจก ผู้ลูกพระ ส, สมมาสัมพุทธเจ้าผู้ลูกในสาวกบางซ้ายบางขวาจึงยิ่งย่อนกว่ากันเป็นลําดับผู้รูกนะแต่เมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ถึงแห่งเดียวกันเก้าอี้นั่นเป็นพระนิพพานของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเก้าอีน้นี้หรือวิมานหลังนั้นเป็นนิพพานขององค์นั้นองค์นี้นไม่มี เพราะไม่มีเครื่องหมายใช่แล้วถ้าหมายมามันก็ถูกกองน้ำลุกพ้นออกจากกองน้ำลุกไปแล้วไม่มีเครื่องหมายเหตุฉะนั้นเตา่า ก, ากับปลากับปลาที่อยู่ในน้าไปพูดกันปลาจึงไม่รู้อีหนยอีนี่ปลาเคยเห็นแต่หน้าก็มาเถียงกับเตา่าเป็นเหมือนโครน นั่นมไม่ไม่ไม่ไม่ไฟเตาเหมือนที่เราอยู่ใต้สาลายไหมไม่ไม่ไมอย่างนั้นไม่อย่างนั้ น, น, นเหมือนกับใต้ซอกหินที่เราออกมาเดี๋ยวนี้ไหมเขาเห็นจมหน้ามอยู่นี่ เขาหินก er. ็ม ouais. ีอยู่ในนั่มันเป็นเงื่อมอยู่ไม่ไม่ไม่ไมไม่ต่อันเดียวกันถ้าเราอยากเห็นพระโสดาบันเราก็ต้องเป็นพระโสดาบันเสียก่อนถ้าเราอยากเห็นพระสักทธาคามีเราก็ต้องเป็นพระสักระธาคามีเสียก่อนถ้าเราอยากเห็นพระอนาคามีเราก็ต้องปฏิบัติให้ถึงพระอนาคามีเสียก่อนถ้าเราอยากจะเห็นพระอรหันต์เราก็ต้องปฏิบัติ ให้ถึงพละหันเสียก่อนถ้าเราอยากจะรู้รดเกลือว่าเค็มขนาดไหนเราก็ต้องคิดดูเสียก่อนพลิกก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันเราจะปัญหากินทางนั่งเก้าอี้คัดคาดฝ่ายเดียวความเห็นชนิดนั้นก็ไม่เป็นที่พึ่งของเราอีกเหมือนกัน เอาละทีนี้เหนื่อยแล้วให้พ้นจับพวกนาวัตตาสงสารว่าเป็นพอ